พระธรรมเทศนาจากเรื่องหน้าเ ข, าข้าคำผูกตีสิบสีเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูเปลี่ยนรรมำฮกเปโยบนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮยอะโม ต, ตัสภาเกาวะตตออาราตตสัมมาสัมพุท ธ, ธา เออัญญมันยังติสวะติสาเทวูดุราสปุริจตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวนหมูจุงดักโยดาฟังจาดกยังไปแล้วพระตนแก้วจิงเตสนาวะเตอัญญามันยังติสวะดังนี้เป็นต้น พีกาเวดูราพีโคตั้งหลายอันเป็นสายอริยญาตาิเจ้อนักพาตระลงญาส่วนว่าพระผู้บานสมมาตรราชและนางน้อยนาดพัตนวดี และเจ้าบุญมีหนุ่มเนาสามเจีองเจ้าก็ศรัทธาได้ไก่กาผ่าคางปัดกันห่างเบินนานบุญมาปานจุจอดได้มารอดหันกันต่างใจมันจื่อสัไข่เกาูหลายในต่างคนไข่บอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายด้วยปริยายบ่โนยหายต่าก้อยเครึ่งกา สามกาสัทธายดยาวฟงตานก่าจากกันยังบอตันจากภากออกไปจากศาลาสวนพญ า, ากาลาวันณาราเาาาจ้าพรสาตหจรร์ บ่อได้หันพวกกาปิ้งอายนาคืนมาจิงือเสนาแขวนใจรีบซาใสาไปฟันเสนายันรีพาวลงจากดาวหอใจเล่นเดี๋ยวไวไปสู่ยังที่อยู่มูโยท่าหันสังกาแต่เหล่าตั้งมูเท่าคนหานบ่อจากขันปากได ตันมัดใจกังกาหมือนแต่ตาบ่ อ, อบปากจูผู้หากเหมือนกันส่วนสีสุพันหน่อเนางามบ่อเศร้าพัฒตาดีอันเจ้าปู่รียศใหญ่ฮือขังไว้เหมือนมากับมานาวานุ่มน้อยได้กาดก้อยห้ห่นมันเววนซอไซบ่อจวบได้ดนได้ กอเร็วไว้มาไว้ยังเต้าไทยปาราใครขี้าบอกเล่าเือเต้าเจ้าตามมีก็มีหันแลยนะสโสปานาราจาส่วนผาญากาลวันณาราฟังโอกาสทุนสาแห่งเสนาแก่นใจยินโคดไม่เหลืออาล ว่าแม่นเป็นใจหนุ่มน้อยอันตามต้อยสามานมันอาถานนักแก่แกเอาแม่มันไปมัดเสนาในจูบไว้หืออยู่แตนตนมันเตียงห่นปิกปอกออกไปนอกเวียงใจกวรเร็วไว้อย่าจะตัวรีบคาตัวมันเจ้าห่อจันโคเทาร้องเอื้นเปล่าเสนา พวกปาลาจะถอยมีหารอยเป็นผ่ามาณย่อมใจหารกาหยาบหุ่มรบภาพแต่งฟันฮือมาปั่นจูผู้พอมน่าอยู่เดียวไว้แล้วจะใครบอกก่าวฮือหัวข่าวขีญ้าวาดดุราเสนาเฮยผู้แก่นจุงลุกแล่นไปปั่นตัวแต่งฟันหลาบสา ยังใจถอยจ้าสามานมันใจหันลักแกมาลักแกกังก้านำนางโสภาดีกว่าสู้ยาจ้าตววไปตันตีในคาตีหัน เอาดาบปั่นกาญหาตัดหัวมารีพาวเฮกูเต้าเล็งดูแม่นจุ่มสู่หนุ่มเทาปิ่งปอกเต่ามาได้สู่เตียงตายเสียงไข้กูบอกไว้คนใดเสนาในอาจกาฟังเจ้าฟ้าไขปันเขาปะกันจืนสู่โหร้องอยู่นันเนื่องเป็นดังเมืองใหญ่กว้างจักแตกมังเพตา จุมโยธาลายลากรีบออกจากเพียงใจเปื่อจากไปหลับซายังเจ้านอลาบุญมีก็มีหันแลนะโสปิโคมหาสัตตส่วนโพธิสัตตนอง์อาจกับเต้าที่ราตพิตาและมานดาหนหนาพงตันเล่าจะใครด้วยกำยิจื่นจย มีบ่อน้อยหลายอันอยังบ่อตันนี่พากออกไปจากศาลาหันโย้าห่อร้องออกจากห้องเวียงใจถือปืนไฟห อ, อกดาบเต็นผ้าผาบสะสนเขาจูคนหอร้องยกดาบส่องดาฟันเจ้าจอมควันรอไทยหันซึกใหญหน้านำ จิงเอาเข่าคำพาเสดฮือบังเกิดสวดสดีเขตดปฐาวีบอจ่าตัดสื่นาต่างมาหันกับตาแต่ใสเป็นน้ำใหญ่ตัณใจน้ำเลิกใสว่าวงกิดขวางจ้องต่างมาจุ่มโยธาน้อยใหญ่มารอดไกลวังทานภัยบ่อหานคำใดเหืดเสียงไขวจูคน ข้าโอเววนเตียวไตปอรอบไขเวียงใจน้ำกอไหลไปรอดพับไข่จอดปุรีพ่องอวดดีกว่าหมู่เต้นลงสู่วังใสลวดตกไปใต้น้ำดับขาดความบำว้ยพ่องพันภายรีเผาไปไว้เต้าผู้บ้านขาบทุนสันเหล่าเก่าเอเต้าเจ้าตามมี เจ้าปุรีห้าหาดโคตรข้าดาดเือใจเป็นดังไฟเดือนหาถือดาบกาเตรียมตนรีเปรร้นไว้วาดลงภาษาเจียงคาน <c oughs> ขึ้นจ้างสารตัวกาออกก่อด น, นาเรียวฟันว่ากูจักฟันฮื้อพอฮื้อหันต่อสายตาเจ้าปาราพดออกไปไปนอกเวียงใจ หันน้ำใส่กวางใหญ่ควางแวดไว้จูปลายเต้าผีพายเล็งพ่อหันยังดอพุท ธ, ธาอยู่ศาลาสื่อนาก่อเอินดากําไป ว่าจใจจังไรอ่อนน้อยมึงนี่ถอยสามารถมึงอวดหานนักแก่เนี่ยไรยแก่ตนกูมึงมาจูเ ก, ก้าก้างกูจักมั่งมึงตายมึงอย่าไมยปอกเตาไปตีเก่าเมืองอ่อน หนอผู้ทนนยอดยาจริงตอบเต้าจำปาวาดูระเต้าปาลาผู้เทาใจหมุนเศร้าอาธรรมตันหาหนำหลบหล่นมึงบ่ป้นตังวายแม่นกวัวตายมวยหมอดละยังยอดเทวีจุงรีบหนีขึ้นสูญยังที่อยู่หอใจแม่นบอไปรีบพาวกูจากเน่าขอฟันจะแหลนา ส่วนพญากาลวันดาราตฟังถอยวาดกำจาแห่งนอพุท ธ, ธยอดใหญ่ส้ำโคดรไม่เววนสองตามนมามาร้องานาดาโยธาวาดูระเสนาเฮยม่มวนมูสอย่าอยู่ดูได้มกนาดลลยน้อยใหญ่รีบจีใสนิ่งไป <c oughs> เสนาในหัดเท้าฟังกำเต้าไข่ปันเขาป้ากันโหร้องสนั่นกองท้ดทีมกนาดมีน้อยใหญ่จิ้งใสจูปายเสียงดังลายจูดานปอสะต้านดินด้านนอปูอที่ยานบุญใหญ่บ่ยยบอร้อนไมสันได้มกนาดไก่ก้อยกาดบ่อต้องปาดกาญา ตั้งผาญาป่อเจ้าและแม่หนนเนาเตวีสวัต ด, ดีเสียงไข่บ่อร่อนไม้เครื่องกาฝายเต้าจำปายดใหญ่นินโคตไม้เลือการบอกโยธาหารบว้วนหมูว่าอย่าอยู่นานไปจุงเดียวไวส่อใสหาอย่างไม่นานาแล้วนำมาพร้อมไข่แป่งแปดไตเตียวไป เสนาในมวลหมู่ไล่หลังลู่ไปปั้นเล่นภายพันซอใสหายังไม่ในเมืองเสียงนันเนืองละลาดบเว้นขาดไปใด ไม่มีในบ่ขอข้างเขารีดมั่งเพเตาแล้วนำมาย้ายหยาดเอาเจือขาดติดกันเขาเรียวปันจูผูพ่องท่าอยู่ดาแปงพ่องมีแห้งอันใหญ่แบกไม่ได้นำมาไม่นานาลายแหลวางาย้ายแผ่ทมท้องไก่เป็นกองไม่ใหญ่แวดจอดไขวียงใจ ส่วนโนโปทีญานตนองอาจหันเต้าที่ราชจำปาืฮเสนาน้อ่ใหญ่แปลงแป๊ะไตผันพายเสนาไหลามวนหมูเล่นสะสู่สะสน หนองตะสะปนยอดซอยจริงจักต่อยเขาคำทวนสามคำคบไข่พญ า, านากใหญ่อุกตะเตจ้าหูสัญญาร่อนไม่จริงืให้กองใจ เรียกเสนาในมวลหมู่มาพร้อมอยู่เดี๋ยวปั้นแล้อป้ากันรีพาวมาพดดาวกองตาแห่งมหาสัจเจ้าทมเหตุเก้าพิมในเจ้าก็ใครเก้าเหตุถือแจ้งเจตตามีเจ้าปุรีนากราเตจะอาจเสงซ่าฟังกำจ่าก่าวท้อยแห่งเจ้าหนอน้อยบุญจู ยินอินดูหลายแห ล, ะละรับผาแปะไผมานกำสมปานช่วยเจ้าหือเตียงเต้าตีค่าจริงบอกเสนาตัวนาว่าอย่าจจาเร็วปันจุงป้ากันหอบภาพกับเต้าหยาบจังไรตั้งเสนาในน้อยใหญ่ผูน้ำใสบัดเดียวพ่องคือเร็วเตียวสอดเข้าไปรอดหอใจ หือนางนหน่อยใหญ่แตกตื่นไข่นันเนืองหือโยธาเรืองหาเท้าแหล่นลมเต้ามาราณาจุมโยธาแห่งนาคมีหลายหลากนานำ <c oughs> ได้ยินคำเต้ากาวเขาฟังเฝ้าเร็วฟันไหลลืดกันเข้าไกลผู้น้ำใสสะสนจุ่มรีปนหาเท้าแห่งตันเต้าจำปา <c oughs> มีนำนาลายแลเต้าล่มแพเป็นสายพองป่อตายแก่น้ำล่มขาดความเปปั้งมกนาดดังก่อนกี้ก็หลีกี่ถอยห่นย้อนรีปน้อยใหญ่ เปี้ยเสียงไข่ผาหนีเฝ้าหูมีแต่ใส่จีบบ่ไมไปได้เฝ้าเปี้ยไหลเสียงขาดเหลือมอกหนาดได้ได้หอกดาบลายเสียงซ้ำตกลงน้ำหายตาจุมเสนาวนหมูเล่นเข้าสู่เวียงใจนาไกลไปบ่ย่อนสอดไข่บนดงรี สอดไข่บนปุรีหอเฮือนมีน้อยใหญ่ขึ้นสอดไข่ตั้งเมืองคนดันเนืองอยากเาวาร้องให้เศร้าวกวัวตายคนยิงใจใหญ่น้อยเล่นเป็นท้อยสนสารพ่องป้าหลานเจียลูกตุกต้องถูกนำนา จุมหน้ากาลายหลากมีจู่ผากองตั้งพ่องเกิดความตั้งใจพ่องสอดใสหอใจกำนันในหน้อยใหญ่ร้องรำให้ตั้งโคงจุมคนโรงบวนโมแลลนสะโสสะสนโกละหลุนอันใหญ่เกิดขึ้นไข่ธานีก็มีหัมและนาะ ส่วนพญากาลวันราชเจ้าภาสาดจำปาหันเซนาแห่งนาคมีหลายลากนานำเต้าอารมโคตรไม่ถือดาบไหลสับฟัน นาเข้าวันหัดขาดมันตัดขาดบาดเดียวจุ่มนาเก้ียววันกอดมันสลอดพดพันแล้วเร็วปันกำมไดยกฟาดใสปฐวีจับลังตีนั่นเราขุนบาปเศาเมามันเล่นไหลฟันไปนานากเกล่นกว่าจอมลังเสียงอึ้งอังมีกองดังไห่หงอานาะ เต้าจำปาบาบไบริดที่ใหญ่เรือลายคานากไตบ่อหน้อยนับอ่านร้อยกา น, นาจุมนาคาเข้าไกผูปิดใสเป็นไฟมันเรียวไวบ้บ่อนเต้นลงบอลวังทานนาเข้าปานเกี้ยวสอดมันกอกนาคา จักดับมาฟันฝ่าตัดหือขาดเป็นสองเลือดไหลน้องตัวน้ำมีจูรรมจู้ายคนก็ตายหลายแหลมีจูแงกองตาจุมโยธามวนหมูบอ่ออาจอยู่ต่อจนป้ากันหุนฟังฝ้าเข้าสู่ดาวเวียงใจบอกมีไั่อยู่ไกลช่วยเต้าไทายปาลา พบกันมาแต่เจ้าทราบต่อเต้ายามแรงริดที่แข่งเต้าถอยก็อ่อนมอยถอยห่นใจเวว้นหิวหอดามวยหมดปมบาย เสนาลายแห่งนาบอกจากวางลาเอากันมาเวดไกวันเต้าใดบัดเดียวหลากไปเร็วบอกจากท่าวายเจ้านอนลาบุญมีก็มีหันและนาโสปานาราจาส่วนพญากาละวันณราตริตที่อาจเหลือคนเตจะตตนอาจกาเต็นขึ้นฟ้าปันวา ไผบ่อมาเพียบได้พับแควนไตจุมผูจุ่มสะทูน้อยใหญ่บ่อมาไกลเบียนขี้กำลังมีอาจอ้างอาจหักคอจังปังปายดาบคมผ่าหมอกนาดบ่อต้องปาดกันยาบัดดีนาตันเต้าตกอยู่ดาวหวังบนกลางรีปนแห่งหนากันมีมากดวงลาย แต่ย่มง่ายเมื่อเจ้าทาราบต่อเต้าย่มแรงกำลังแข่งเสียงขาดอิทธาขนาดเหลือใจจักไปในบ่รอดหายใจตอดสูซ้ซา <c oughs> จุมเสนาแห่งนาเข้ า, ขาจากลากไปฟันทวายจอมทันน้อยหนอฮื อ, ห, อหันต่อใสาตาหนอพุทธานยอดซอยฮือหนักป่อยถอยหน บ่หือตนเต้าบอดใดมวยหมอดบำไหวเต้าผีพายบาปหูแจงไขยังกุนยอมือทุนต่างเก่าไ้วส่งเจ้าบุญมีไขวตีอ่อนอ้อยมีบ่โน่นนานะาขอข้ามาต่อเจ้าและนหน่อเนาเตวีขอท้าวัยปุรีเมืองใหญ่แก่เจ้าหน่อไทยบุญนา ขอคุณนาพายโผด์หือปนโตต่างตายเจ้าบุญภายยอดเงาก่อต้านเก่าวาตีว่าเรายินดีพายโผดเือปนโตตั้งตายเราบอกหม่ใครใดยังเบื้องใหญ่ปาราระเราเตียวมาซอสอดหาสองยอดองค์คำมีคุณนําหลายแลกคือพ่อแม่ตั้งสอง บุญสะนองมาไข่สมใจไฟคะนิงในเราขอไปบ่อยู่จักไปสู่เมืองหลังกันได้ฟังเจ้ากล่าวเต้าหัดเท้าจำปาจริงจักจะตานต่อสึ่งเจ้าหนอกบุนี้ว่าแม่นเจ้าบุญมียอดใหญ่บ่มักไฟสมัยเมืองย่อนยังเครื่องไข้กว่าเอาตั้งนาเป็นไป คอจองเตยน้อยนาดยาเว้นขาดคุณนาคอไก่กาไปจอดในห้องยอดปุรีถึงยามดีไปนาจริงก้อยกว่าตามใจหนอจองเตยยอดยาวได้ยินเต้าจำป่าไข่กำจจาอ่อนอ้อยจริงตอบทอยคำดีว่าแม่นเจ้าปุรียอดใหญ่มีใจไฟพาธนา เราราวนหมู่เขาไปสู่ปุรีเรายินดีจักกว่าตามเจ้าฟ้าไขาปันนอจอมทันน้อยนาาเก่าเสียงขาดสุดกำก็อเอาเขาคำต่างเกา่าไปขีดตีเกา่าวังทานก่อบันดานตั้นบาดน้ำแห่งขาดหายซอยบอ่อหันห้อยสักกากจู่ผูหากวนอาม ดินเปียงงามต่อนาบ่อได้จ่าบัดเดียวป่าญ่าเขียวสะพังมีเป็นดังเดิมออนส่วนพระพุทรธรสมมตตราตินที่อาดือซาหันเสนาลายหลากตั้งมูนากลวงลายอันบำบายมวยหมอเตาวตกตอดนำนายินคุณนาลายแลจริงเอาแซวายคำ ไปต่อตำตีไก่กําจีใสกาญาจุมเสนามวนหมูอันหมูหมูว่ำวายและหนากลายใหญ่น้อยอันกาดก้อยดับขันกอกับพันฟืน้นใดพร้อมเสียงไข่เร็วไวเขามีใจจมื่นปีติตื่นยินดีอันจุลีขับไปส่งเต้าไทายภูบาล สาธุการสาธา ส, าสานันดาวอาณาสวนพ ญ, ญานาการาตจะาอาตเดือคนอันรีบปนหน่อยใหญ่มาแวดไกเป็นปริวารก็ไขาันตานทอยกับเจา้าหนอน้อยนานาแลออกก็ล้าขึ้นสูังที่อยู่เมืองตนก็มีหันและนะ สวนเต้าจำปาเฮาหาดดังจ้งางขาดเสียงอามีกำจาอ่อนอ้อยนำเจ้าหนอน้อยบุญมีตั้งเจ้าปุรีตนพ่อนนางแก้วหนอมานดา เขาปาราเตต้องไปจอดทองหอคำเฮือกันย่านำน้อยใหญ่มาแวกไกเป็นปริวานแล้วมีราจะองค์การเป่าร้องไปตัวต้องเวียงใจฮือคนในไพ่ไตเล่นมาหอระสบไขตั้งเมืองก็มีหัมและนา มัตถังประกาศเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญุตนเป็นคู่แก่โลกคือปอนโสภัยมนันนีตอนไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาวาทะโคกาลวันโนราจาดังนี้เป็นตน เ้กเวดุราพิโกตั้งหลายอันเป็นทายอริยาจาเเจ้อนักภาททรงยานส่วนว่าเต้าผูบ้านกาลวันณราจใจเฮาหาดปาลา บัดนี้นายมอ่อนมาณพันสูญหายดังจ้างไปตัวอาดงาหักขาดเสียตนหายเม้าวนมืดเศร้านำเอาเจ้าบุญมีกับเตวีแม่ไทยและเต้าหยศใหญ่ปีตาเข้าปาราเตต้องเฮือจอทองห่อคำไรยังกำอ่อนอ้อยมีบ่โนยนา เือกัญญามวนหมูมาแวดอยู่เอาใจฮือภายใต้น้อยใหญ่อุ่นเงินไข่ตั้งเมืองฮือบุญเรืองสามเต้าได้จืนเยาเจยบ้านหายมองผ่านมนเสาอันมีเก่าเบิ่นมาจุมพ่าจ้าตัวดาวจมจืนเยายินดีมะฮอร์โสมีจุยยาง ตามอันจ้างไผมันเสียงเดืองนั้นมีกองมีไข่ห้องปาราก็มีหันและนาะตาต่ธธาอปัทาญาแรกแต่นั้นไปไปนาะบอเดินจ่าเจ็ดวันนอจอมทันหนุ่มเนาก็บอกเจ้าจำปาว่าจะไกลกาไปสู่ ยังที่อยู่เดิมอ่อนคือนากใหญ่กว้างมีจื้ออังปราณสีเจ้าปุรีหยดเน่าก่อต้านเก่าวไขจ้าว่าขออาสาส่งเจ้าไปทราบต่อเต้าถึงเมืองเจ้าบุญเรื่องหยดเ่าเก่าวห้ามเต้าไหลกรรม เจ้าหอคำกาละวันณราตยังโอกาสจะใครว่าขอตววไปจะใจเหตุเจ้าหนอไทยมีกุณขอไปหนุนเตี่อมกรร ม, <c oughs> ม่นขาดความอินที่ตายเป็นผีก็แล้วบ่ละหนอแก้วบุญนาหนอพุทธาหยดซอยจริงตอบทอยกำงาม ว่าจุงไปตามใจไฟเราบ่าได้เคคาถึงวันมาผูกเจ้าเราจักไต่เตา้าลันีจากปุรีแห่งเต้าไปสู่ดาวแดนไก่ เจ้าหอใจกาละวันณาราเตจ่าอานานำได้ยินคำเจ้ากล่าวใจจิตเย้ายินดีอาจยามีบ่จ้าเฮแต่งท่าดังๆยังเสนามวลหมู่เฮพร้อมอยู่บัดเดียวคือเนาเตีบ่หน่อยได้ห้าร้อยเป็นทาราหมู่อัสามาแก้ว ใส่้อมแลอ่านคำ ม, มีนานำลายลากคารอยหากเป็นไม้หมูจางไยตัวใหญ่ไข่แก้วใส่ดูเป้าย่อมสะเหวสวกายามต่อตาต่อจนบอกหู้หนกาผาคารอยหากเป็นแดนเงินคำแสนโกตื้อเพื่อใจเสือกินตาง ก็คือดางแต่งไว้พร้อมเสียงไขวจูอันอันก็มีหันและนาะูนาตีวะเสในวันลุนและรุงสายฝ้าปุ่งขึ้นมาหนอปุทธาบนกวางก่อขึ้นขี่จา้างไปสาร ตังพระผูบานตนปอดางแก้วนอมาันดาตั้งญายาละวันณราขีจ้างอาจค้นตัวเสนาหนัวอดเอาวังแวดเฝ้าวลวงลลยจุมจ่างปลายร่องเส้าฮีเห็นดันเนื้องโยธาเรื่องหัวเศ้าสานันดาวปุรีกันยามดีมารอตนเต้ตาอยอดบุญนา นำโยธาบวนมากออกไปจากเวียงใจเปื่อจากไปสู่ห้องคงเขตต้องปาราณสีอันเป็นปุรีป่อเจ้าตั้งแต่เก่าเดิมมาลัดดงนาเตือนทำคมแม่นำ้ำลายสายคำบานลายน้อยใหญ่ตามตั้งไตเดิม อ, อ่อนค่ำก็นอนยัางจอดหือหิวหอดไม่หาย สามเดือนปายมาไข่จรรดเมืออใหญ่ปาราณสีก็มีวันนั้นแลยนะเ <c oughs> นธีตังกิญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุนาเขาคำผูกสิบสีดาถึงตีบุรมวน สมเปิ่งกวนจอดจังจริงของยังเป็นข้าวขอลุงเอาปู้ปลาอดอยู่ท่าฟังไปแปลงใจใส่จินจอยฟังผูกซซ่ตัวตามแดเตอก่อบังกมสมฤตเสร็จแล้วเตาดีก่อนแล